วันนี้ยาตยิยมมาจากที่ไหนกันบ้างเคยมาหรือเปล่าเพิง ม, มาค้า้งแรกเหรอมาจากที่นี่ได้ยังไงที่เป็นสถาปัตย์สถปนิกเขาแนะนำมาก็ให้มาทำอะไรนะ ให้มาอะไรที่นี่ธรรมะค่ะธรรมะที่ศก็คุยเรื่องการปฏิบัติกับคุรณะอยู่รณะหนยแน่นธรรมะที่ตรงนี้เป็นเป็ที่เคยไปปฏิบัติที่ไหนมาบ้างก็ที่จะไปบ่อยก็จะไปที่ส่องแกู อ่าเคยปฏิบัติตามของาแพทยดีเรได้ผลมั่งหรือเปล่าเป็นช่วงมากกว่าค่ะช่วงไหนถ้าขยันปฏิบัติเองก็จะรู้สึกดีช่วงไหนถ้ายุ่งอยู่แเรื่องอื่นก็ไม่ได้แล้วไม่อยากได้ผลนะ อยากได้อยากได้แต่ไม่ยอมลงทุนอยากกินข้าวแต่ไม่ยอมหุงข้าว <c oughs> ผลของการปฏิบัติก็เกิดจากการปฏิบัติถ้าไม่มีการปฏิบัติผลก็ไม่เกิดฉั้นถ้าอยากจะได้ผลก็ต้องปฏิบัติ ปฏิบัติมากก็ได้ผลมากปฏิบัติน้อยก็ได้ผลน้อยเหมือนกับทำงานทำงานน้อยไรายได้ก็น้อยทำงานมากไรายได้ก็มากทีนี้เรามันมีงานหลายหลายหลายงานด้วยกันงานทางธรรมเราก็อยากได้งานทางโลกเราก็อยากได้มันก็เลยมาแย่งเวลากันไป เราก็ต้องมาชั่งน้ําหนักหรือว่าผลที่เกิดจากงานทางโลกกับงานทางธรรมอันี้อันไหนจะมีประโยชน์กว่าทางงานทางโลกก็มีประโยชน์ชั่วคราวชั่วขณะที่มีชีวิตอยู่แต่ทางงานทางธรรมนี้มีประโยชน์ยาวนานกว่า เพราะว่าหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วประโยชน์ที่ได้จากทางธรรมก็ยังมีอยู่เพราะประโยชน์ทางธรรมนี้จะติดไปกับใจส่วนประโยชน์ทางโลกนี้ไม่สามารถเอาติดไปกับใจได้เช่นทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้ จะได้ชั่วขณะที่มีชีวิตอยู่แต่พอชีวิตนี้หมดไปแล้วทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองความสุขต่างๆจากสิ่งต่างๆในโลกนี้ก็จะหมดไปอย่างนั้นถ้าเราใช้เหตุใช้ผลพิจารณากันอย่างรอบคอบ เราก็จะเห็นว่าประโยชน์ทางธรรมนี้มีประโยชน์มากกว่าเพราะเป็นประโยชน์ที่ถาวรถ้าเราเห็นว่าประโยชน์ทางธรรมดีกว่าเราก็จะให้เวลากับการสร้างประโยชน์ทางธรรมให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องคอย เตือนใจเราอยู่เรื่อยๆให้คำนึงถึงประโยชน์ที่ถาวรอย่าไปหลงไหลกับประโยชน์ชั่วคราววิธีที่จะทำให้เราไม่หลงไหลกับประโยชน์ชั่วคราวก็คือเราต้องนลึกอยู่เรื่อยๆว่าเราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายถ้าเราหมั่นนัเลิกอยู่เรื่อยๆว่าเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดา ย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาย่อมมีความตายเป็นธรรมดาความจริงอันนี้มันจะกระตุ้นให้เราไม่หลงไหลไปกับความคิดเพ้อฝันต่างๆที่มักจะครอบงำจิตใจเราทำให้เราหลงกับการหาราบยศสรรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายจนลืมไปว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวมันเป็นความสุขที่จะต้องมีวันสิ้นสุดลง mm. ก็เรามักจะเห็นก็เวลาที่ไม่สบายหรือเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาที่แก่แต่บางทีไปเห็นตอนนั้นมันก็สายไป พอถึงเวลาแก่แล้วเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะมาสร้างประโยชน์ทางธรรมก็เป็นอุปสรรคมากนำบากเพราะการจะปฏิบัติธรรมนี้ต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะต้องไปอยู่ในที่อดอยากขาดแคลนที่กันดารเพราะเป็นที่ที่เหมาะสม กับการเจริญประโยชน์ทางธรรมดังนั้นถ้าเราอยากจะได้ประโยชน์ทางธรรมอยากได้มรรคผลนิพพานอยากได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหรืออย่างน้อยเมื่อตายไปก็อยากได้ไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆเราก็ควรที่จะ คอยเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าเราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายถ้าเราคอยเตือนใจอยู่เรื่อยๆมันจะทำให้เราไม่หลงไหลไปกับการหาประโยชน์ทางโลกที่เป็นประโยชน์ชั่วคราวที่เราจะไม่สามารถที่จะเอาไปกับเราได้ ที่เราไม่สามารถจะพึ่งมันได้ในยามยากในยามที่เราแก่เราเจ็บเราตายแต่ประโยชน์ทางธรรมนี้เราสามารถใช้เป็นที่พึ่งในยามยากได้ในยามที่เราแก่ไม่สามารถหาความสุขทางร่างกายได้ในยามที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยในยามที่เราตาย เราจะมีความสุขทางธรรมนี้มาคอยค้ำจุนคอยอุ้มจิตใจของเราไม่ให้ทุกข์ทรมานนี่คือปัญหาของพวกเราคือไม่มีความฉันทะวิริยะที่จะมุ่งไปสู่การสร้างประโยชน์ทางธรรม ยังหลงไหลติดอยู่กับประโยชน์สุขทางโลกจึงทำให้เราหาเวลาให้กับการปฏิบัติธรรมไม่ค่อยได้ถ้าเราเลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยรับรองได้ว่าจะต้องเกิดฉันทะวิรยิยะจิตตะวิมังสาที่จะไปประพฤติปฏิบัติธรรมกัน ก็เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้พระพุทธเจ้าได้เสด็จออกจากพระราชวังทําให้พระพุทธเจ้าออกบวชได้ทําให้พระพุทธเจ้าตัดสรู้ได้พระพุทธเจ้ากับเราก็เป็นปุถุชนเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันแตกต่างกันเท่าต่องที่พระพุทธเจ้าทรงรู้จากวิธี กระตุ้นจิตใจของท่านให้มุ่งสู่การปฏิบัติธรรมโดยการดูคนแก่อยู่เรื่อยๆดูคนเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เรื่อยๆดูคนตายอยู่เรื่อยๆถ้าเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายโดยเฉพาะในตัวเรามันก็จะเตือนสติให้เราเรีบปฏิบัติธรรมกัน ก่อนที่ความแก่ความเจ็บความตายมันจะมาแย่งเอาเวลาของเราไปเพราะว่าพอเราแก่เราเจ็บเราตายแล้วเราจะไม่สามารถที่จะปฏิบัติทําได้นี่คือสิ่งที่เราควรที่จะถือเป็นงานหลักในเบื้องต้นเลยทีเดียว ตื่นขึ้นมานี้ขอให้เราลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายเราก็พยายามดันเลึกอยู่บ่อยๆดันเลึกอยู่เรื่อยๆแล้วมันจะถามมันจะทำให้เราถามตัวเราเองว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เราทำไปทำไมทำไปเพื่ออะไรทำไปแล้วได้อะไรถ้าเราไม่คอยเตือนสติคอยเตือนใจ เราก็จะหลงไปกับการทำประโยชน์ทางโลกทั้งๆ ท, ที่เราก็มีเหลือเฟืออยู่แล้วเหลือกินเหลือใช้ไม่เดือดร้อนแต่กิเลสคือความโลภความอยากมันจะดึงเราดันเราให้หามามากขึ้นไปเรื่อยๆทั้งๆที่ ไม่มีความจาเป็นที่จะต้องมีมากมายขนาดนั้นแต่พอทำอะไรไปแล้วมันก็เป็นเหมือนลูกโซ่ทำไปแล้วพอได้มาแล้วก็ทำให้อยากได้เพิ่มขึ้นอีกมีช่องทางที่จะทำให้มันมีเพิ่มได้มากขึ้นอีกมันก็เลยทำต่อขยายกิจการไปเรื่อยๆจากสาขาหนึ่งก็เป็นสองสาขา สองสาขาก็เป็นสามสาขาสี่สาขามีเป็นร้อยสาขามีไปทั่วโลกแล้วเวลาก็ต้องมาวุ่นวายกับการบริหารดูแลจัดการกับกิจการที่ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆมากขึ้นไปเรื่อยๆจนไม่มีเวลาที่จะมาทำประโยชน์ทางธรรมนี่คือปัญหา ของคนที่ไม่ระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆถ้าเระลึกอยู่ทุกวันนี้มันจะมีเบรกเหมือนกับรถที่วิ่งลงเขาถ้าไม่มีเบรกนี้ความเร็วมันจะเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจนพอถึงเวลาถึงทางโค้งก็จะแหกโค้งตกเหวไปเพราะว่าไม่มี เบรกที่จะชะลอความเร็วที่จะทำให้รถนี้หักโค้งให้วิ่งอยู่บนบนถนนได้ก็ต้องตกเหวไปทางโลกก็ก็จะไม่มีเวลาที่จะมาสร้างประโยชน์ทางทางแต่ถ้าเราละลึกอยู่ได้เรื่อยทุกวันวันล ะ, ละหลายรอบ เมื่อเราเกิดมาแล้วเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพาคจากสิ่งต่างๆที่เราหากําลังหาอยู่นี้หามาได้เท่าไหร่มากน้อยเพียงไรไม่ช้าก็เร็วก็ต้องพัดภาคจากกันแล้วหาไปให้มันเสียเวลาทาไมเวลาตายไปก็เอาไปไม่ได้อาศัยมันเป็นที่พึ่งไม่ได้ เวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่แก่เวลาที่ตายนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบําเพ็ญก่อนที่จะทรงออกบวชทรงแลเลิกถึงเทวทูตสคือคนแก่คนเจ็บคนตายและนักบวชนักปฏิบัติธรรมถ้าเราระเลิกถึงเทวทูตทั้ง4 มันก็จะทำให้เราชะลอความโลภความอยากกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ได้ทำให้เราไม่ลหลงไหลถ้ามีความจำเป็นต้องทำเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็ทำไปแต่จะทำพอประมาณทำพอให้ไม่เดือดร้อนให้พอมีพอกินให้มีบ้านอยู่อาศัย มีเสื้อผ้าไว้สวมใส่มีอาหารไว้รับประทานมียารักษาโรคในยามเจ็บไข้ได้ป่วยถ้ามีเท่านี้ก็พอแล้วอย่าไปเสียเวลากับการหาอะไรมากไปก่อนนั้นเพราะไม่มีประโยชน์อะไรกับจิตใจควรจะเอาเวลามาหาประโยชน์ทางธรรม อย่างวันนี้วันพระวันพระก็คือวันที่พระเจ้าบอกว่าเราต้องหยุดการแสวงหาประโยชน์ทางโลกหนึ่งวันเพื่อมาหาประโยชน์ทางธรรมกันให้หยุดทำงานหยุดไปที่บริษัทปิดร้านจ้ามีร้านก็ปิดนันเสียวันหนึง่งไปอยู่วัดสักหนึ่งวันไปเสียสละแบ่งปัน เงินทองที่เราหามาได้มากจนเกินไปนี้เอามาช่วยเหลือคนอื่นบ้างมาตัดความโลภให้มันน้อยลงไปตัดความหวงความตะหนี่ให้มันน้อยลงไปด้วยการทําทานแล้วก็มารักษาศีลแปดกันศีลของนักบวชเพราะวันนี้เราจะอยู่แบบนักบวชหนึ่งวันการสร้างประโยชน์ทางธรรมนี้ต้องต้องอยู่แบบนักบวช เลยต้องไม่หาแสวงหาความสุขทางโลกหนึ่งวันความสุขทางโลกก็ความสุขทางตาหูจมูกลล่นกายนี้ <Okay. S 1> สิบแปดนี้ก็จะเป็นเป็นกำแพงกัน้นไม่ให้ใจออกไปหาความสุขทางโลกไม่ให้ไปดูไปฟังไปเดิม่มไปรับประทาน เพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกสนานเพื่อความเพลิดเพลินถ้าต้องเดินต้องรับประทานก็เดินเพื่อร่างกายเดินตามเวลารับประทานตามเวลารับประทานพอประมาณพอให้อยู่ได้ก็พอเช่นเถือศีลข้อหกไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว การไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วก็มีประโยชน์หลายประการหนึ่งทำให้เราไม่ไม่ทำตามความอยากไม่รับประทานตามความอยากตัดความอยากการหาความสุขจากการรับประทานจากการดื่มเครื่องดื่มต่างๆอันนี้ประโยชน์อันแรกสองประโยชน์ที่สองทำให้เราไม่ต้องมาเสียเวลากับการ รับประทานกับการหาอาหารหาเครื่องดื่มต่างๆมารับประทานสามจะช่วยกําจัดความง่วงเหงาเหานนอนที่มักจะเกิดขึ้นเวลาที่เราปฏิบัติธรรมเวลาจะนั่งสมาธินี้มักจะสับประหนกง่วงนอนนั่นก็เป็นเพราะว่าเรารับประทานอาหารมากเกินไปถ้าเราบัวดาว ว่นวายกับการรับประทานอาหารเช้ากลางวันเย็นกว่าจะมีเวลาว่างมาปฏิบัติธรรมก็ต้องหลังจากอาหารเย็นไปแล้วแล้วหลังจากอาหารเย็นไปก็เวลาจะนั่งก็เกิดความง่วงนอนขึ้นมาถ้าเราไม่รับประทานอาหารเย็นรับประทานอาหารเพียงเที่ยงวันหลังจากเที่ยงวันไม่รับประทานอาหารแล้วพอบ่า ย, ายสักสองโมงสามโมง ร่างกายก็จะเบาจะตื่นตัวจะไม่ง่วงนอนจะมีะเวลาปฏิบัติได้ยาวตั้งแต่บ่ายไปจะท่องถึงเวลาสี่ห้าทุ่มถึงเวลานอนเลยแต่ถ้ายังมัวรับประทานอาหารกันในตอนเย็นกว่าจะรับประทานเสร็จก็หลายหกโมงเจ็โมงกว่าจะต อาหารจะย่อยร่างกายจะเบาก็ถึงเวลานอนใช่แล้วก็จะไม่มีเวลาปฏิบัติจึงต้องตัดความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายมาหาเพื่อที่จะได้มีเวลามาหาความสุขทางทางธรรมมาปฏิบัติธรรมมาเดินจงกรม มานั่งสมาธิทำใจให้สงบนี่คือหน้าที่ของศินแปดเพื่อที่จะกั้นความอยากที่จะเอาเวลาที่มีค่าที่จะเอามาใช้ในการปฏิบัตินี้กั้นไม่ให้ออกไปใช้ในทางความสุขทางโลกอยากจะหาความสุขทางโลกหาวันอื่น อาทิตย์หนึ่งนี้ขอวันหนึ่งขอวันหยุดหนึ่งวันหยุดการหาความสุขทางโลกทั้งหนึ่งวันแล้วมาหาความสุขทางธรรมกันมาปฏิบัติธรรมมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิศิ้ข้อแปดสินแปดข้อนี้ก็มีหน้าที่อย่างนี้ศิ้นข้อสามก็ทําป้องกันแม่เราต้องมาเสียเวลากับการร่วมหลับนอนกับผู้อื่น ถ้าเรานวมร่วมหลับนอนกันก็บทเวลาไปทั้งคืนถือถือศีลพรหมจรรย์แล้วศีลข้อเจ็ดก็ตัดเรื่องการบันเทิงมหรศพต่างๆไม่ไปดูภาพยนตร์ไม่ไปดูละครไม่ไปดูลิเกดูนิวไม่ไปดูมหรสศพต่างๆเครื่องบันเทิงต่างๆ ไม่ฟังไม่ร้องรำทำเพลงไม่ไปงานเลี้ยงต่างๆในยามค่ำคืนอยู่วัดนะไปอยู่วัดถ้าไปอยู่วัดนี่ถือศีลแปดก็จะง่ายถ้าอยู่บ้านถือศีลแปดก็จะยากเพราะคนที่อยู่บ้านเขาไม่ถือศีลแปดกันคนที่อยู่บ้านเขาก็จะมีงานเลี้ยงกันมีภาพยนตร์ดู มีละครดูมีอาหารรับประทานในยามค่ำคืนเราก็จะไม่มีเวลาได้มาทำประโยชน์ทางธรรมกันดังนั้นในวันพระนี้เราควรที่จะทำให้เป็นวันพิเศษสำหรับเราเปลี่ยนการหาความสุขทางโลกมาหาความสุขทางธรรมกัน เปี่ยนจากการหาประโยชน์ทางโลกมาห า, หาประโยชน์ทางธรรมกันถ้าไปอยู่วัดได้ก็จะดีไปอยู่วัดที่มีความสงบที่เอื้อต่อการปฏิบัติธรรมแล้วเราก็จะได้ผลที่เกิดจากการปฏิบัติอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องบังคับตัวเราเองให้ทําเพราะว่าถ้าเราไม่บังคับ มันจะไม่ทำมันไม่เหมือนกับการไปเที่ยวการไปเที่ยวนี้แทบจะไม่ต้องบังคับเลยนี่แต่จะต้องคอยเบรกเพราะว่าใจของเรานี้เหมือนกับเดินลงเขาเวลาเดินลงเขานี่มันง่ายใจของเรานี่มันชอบไปในทางไปหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกาย มันไม่ชอบมาหาความสุขทางใจเวลาหาความสุขทางใจนี้เหมือนกับปีนเขาเดินขึ้นเขาถ้าไม่บังคับนี้จะไม่อยากขึ้นไม่อยากเดินแต่ถ้าไปหาความสุขทางโลกนี้มันง่ายเพราะมันเหมือนเดิเดนลงจากเขาเพียงแต่คิดเท่นั้นมันก็พร้อมที่จะไปแล้วะ แต่ถ้าจะคิดมาอยู่วัดมาปฏิบัติธรรมกันสักครั้งนี้ต้องคิดกันหลายตลกคิดกันหลายวันกว่าที่จะจัดเวลาหาเวลามาปฏิบัติได้ประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการปฏิบัติทางธรรมจึงมีน้อยมากทั้งๆั้งที่เราก็เห็นคุณค่าแต่เราไม่สามารถ หาเวลาไม่สามารถดึงตัวเราให้ออกจากการสแสวงหาประโยชน์สุขทางโลกได้นั่นเองดังนั้นเราจึงต้องทำแบบที่พระพุทธเจ้าทรงได้กระทำมาคือก็ต้องเราเลิกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆถ้าเราเลิกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆ มันก็จะทำให้เราไม่อยากจะหาความสุขทางโลกมากจนเกินไปเพราะเรารู้ว่ามันจะต้องมีวันสิ้นสุดมันจะมีวันหมดไปแล้วเวลาที่เราแก่เราเจ็บเราตายเราจะไม่สามารถพึ่งประโยชน์ทางโลกได้เลยแต่เราสามารถพึ่งประโยชน์ทางธรรมได้ ถ้าเราคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ เ, เราก็จะวางแผนจะจัดหาเวลามาเพื่อการบาเพ็ญเพื่อการปฏิบัติธรรมในสมัยก่อนเรายังมีวันพระกันแต่สมัยนี้วันพระหายไปแล้วสำหรับคนยุคปัจจุบันคนที่อยู่ในบ้านในเมืองนี้ เขาไม่รู้จักวันพระวันโกนกันแล้วเขาไม่รู้ว่ามีไว้ทําไมสมัยก่อนนี้การงานต่างๆจะหยุดในวันพระในวันโกนเอสมัยก่อนนี้เราถือตามปฏิทินทางจันทรคติเราจะดูวันขึ้นแรมถ้าวันวันขึ้นแรมแปดค่ำสิบห้าค่ำหรือสิบสี่ค่ำ เราก็จะหยุดทำงานกันแล้วพอหยุดทำงานกันก็มีรมเนียมไปวัดกันทุกคนแทบทุกบ้านนี้จะไปวัดกันหมู่บ้านชาวบ้านทั้งหมู่บ้านนี้พอถึงวันพระก็จะไปวัดกันไปก็ไปทำบุญทาทานกันบางคนก็ไปไปตอนเช้าทำบุญไปรักษาศีลฝังเทศทองธรรมรักษาศีลห้าสมาทานศีลห้า แล้วก็กลับบ้านยังมีภารกิจที่ยังต้องทําหรืออยากจะทําอยู่แต่อย่างน้อยก็ยังได้ไปวัดสักครึ่งวันก็ยังดีบางคนก็อยู่ต่อถึงวันรุ่งขึ้นอยู่ค้างแรมอยู่ที่วัดเพื่อที่จะรักษาศีลแปดเพื่อที่จะบําเพ็ญปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้ ผลที่เกิดจากการบําเพ็ญปฏิบัติธรรมคือความสงบความสุขใจที่เกิดจากความสงบมสมัยนี้ไม่มีวันพระเลยไม่มีใครบังคับมสมัยก่อนอย่างน้อยยังมีมีกฎมีประเพณีบังคับอยู่มีวันสําคัญสําคัญทางศาสนาที่ทําให้เรา ต้องหยุดภารกิจการทำมาหากินทางโลกกันสมัยนี้มันจะน้อยลงไปเรื่อยๆต่อไปตมาก็คิดว่าเชื่อว่าวันสำคัญทางศาสนานี้ก็จะถูกตัดไปจากการเป็นวันหยุดทางราชการพอต่อไปจะอ้างว่ามีคนนับถือหลายศาสนาด้วยกันถ้าจะให้หยุดวันหยุดทางพุทธศาสนา ก็ต้องมีวันหยุดทางคริสต์ศาสนาต้องมีวันหยุดทางศาสนาอิสลามอิสลามจีนอะไรว่าไปก็เดี๋ยวก็กลายเป็นมีวันหยุดมากเกินไปก็เลยอาจจะต่อไปตัดวันหยุดเหล่านี้ออกไปไม่ถือเป็นวันหยุดราชการวันที่จะมีเวลาที่จะเข้าวัดเพื่อ มาปฏิบัติทำกันก็จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆถ้าเรารอให้ทางราชการทางสังคมเป็นตัวกำหนดบังคับให้เราปฏิบัติเราก็จะปฏิบัติได้น้อยมากเราจึงต้องใช้วิธีแบบที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญได้ทรงปฏิบัติมา ก็คือต้องเราเลิกถึงเทวทูตสอีอยู่เรื่อยๆให้เราเลิกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆส่งสอนให้ชาวพุทธเราให้พิจารณาอยู่เนืองๆคำว่าพิจารณาอยู่เนืองๆก็อยู่เรื่อยๆถ้าทุกลมหายใจเข้าออกได้ยิ่งดีถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องตายนี้เรายังจะหลงไหลกับการหาประโยชน์ทางโลกกันหรือเปล่า เราจะหลงไหลกับการหาประโยชน์ที่เราไม่สามารถพึ่งได้ในยามที่เราจะตายได้หรือเปล่าแต่ถ้าเราหาประโยชน์ทางธรรมนี้ประโยชน์ทางธรรมนี้จะเป็นที่พึ่งของเราได้ในยามยากในยามเจ็บไข้ได้ป่วยในยามที่จะรู้ว่าจะต้องตายไปบางคนเวลาไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นโรคร้าย จะต้องตายภายในสามเดือนใจนี้จะตกควบลงไปที่เท้าเลยจะบทกำลังจิตกำลังใจที่จะทำอะไรต่อไป เ, เราควรจะให้มันเป็นอย่างนี้ในขณะนี้ให้มันเป็นตอนก่อนที่เราจะเป็นจริงๆเพื่อเราจะได้มีเวลามาสร้างประโยชน์ทางใจสร้างประโยชน์ทางธรรมไว้เป็นที่พึ่ง ต่อไปในเวลาที่เกิดพบกับความเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเรามีที่พึ่งทางใจแล้วเวลาเรารู้ว่าเราจะต้องตายนี่เราจะไม่เดือดร้อนเลยเราจะรู้สึกเฉยเฉยเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะรู้สึกเฉยเฉยเพราะเราสามารถพิจารณาปล่อยวางให้มันปล่อยวางมันได้ เห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนฝนฟ้าอากาศมีฝนตกแดดออกเป็นธรรมดามีมืดมีสว่างเป็นธรรมดาไม่เดือดร้อนเพอเรามีธรรมะคอยพยุงใจของเราคอยประคับประคองใจของเราไม่ให้สุดลงไปเวลาที่เราจะต้องเจอกับข่าวร้ายต่างๆ นี่คือประโยชน์ทางธรรมถ้าเรามีธรรมอยู่ในหัวใจเราแล้ ว, ลวจะมีข่าวร้ายขนาดไหนมาปรากฏมันจะไม่ทำให้ใจเราสุดลงไปจะมีธรรมคอยพยุงใจของเราให้ตั้งมั่นให้ยืนได้อย่างสบายไม่รู้สึกเดือดร้อนกับข่าวร้ายต่างๆนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะ เตือนใจของเราอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะไม่มีใครมาเตือนใจเราได้นอกจากเราต้องเตือนใจเราเองต้องคอยเตือนเราเองคอยเราเลิกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะได้ไม่ตั้งอยู่ในความประมาทถ้าเราลืมความแก่ความเจ็บความตายเราก็จะประมาทไม่รีบสร้างประโยชน์ไม่รีบสร้างที่พึ่งทางใจกัน พอเกิดเหตุการ์ขึ้นมากระทันหันขึ้นมาก็จะไม่มีที่พึ่งเหมือนเราไม่รีบสร้างบ้านไว้พอเกิดพายุฝนขึ้ น, นมาเราก็จะไม่มีที่หลบฝนเพราะเราคิดว่าฝนยังไม่ตกเพราะพายุนี้มันเวลามันมามันไม่ได้ใช้เวลานานมันมาปวดปุกปับ บางทีไม่ทันกี่ชั่วโมงมันก็ตั้งเขาแล้วก็เริ่มปรากฏผลขึ้นมาแล้วทันใดเหตุการณ์ต่างๆที่จะทำให้จิตใจของเราปั่นป่วนว้าวุ่นขุ่นัวนี้มันเกิดขึ้นทันทีทันใดตอนนี้มันไม่มีอะไรเราก็อาจจะประมาทนอนใจคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรเราอยู่อย่างนี้สบายกัน แต่สักวันหนึ่งเดี๋ยวมีปัญหาเกิดขึ้นมาปุ๊บปั๊บนี่เหมือนมีพายุมาถ้าเราไม่สร้างบ้านสร้างที่หลบพายุไว้พอพายุมามันจะไม่มีที่หลบภัยกันดังนั้นพยายามสร้างที่หลบภัยกันธรรมะนี่แหละก็คือที่หลบภัยต่างๆเราต้อง หาเวลามาสร้างมันให้ได้ในเบื้องต้นก็อวัตทิตย์ละหนึ่งวันก่อนก็ได้ตามแบบฉบับที่พระเจ้าได้ทรงวางไว้ให้กับชาวพุทธเราอาทิตย์หนึ่งในวันพระก็หยุดงานสักวันหนึง่งสมัยนี้เราเลือกหยุดวันวันที่ไม่ใช่เป็นวันพระก็ได้เพราะวันพระสมัยนี้จะไม่ตรงกับวันหยุดงาน เราก็เลือกเอาวันที่เป็นวันหยุดงานของเราเป็นวันพระก็ได้เช่นเราหยุดงานวันเสาร์อาทิตย์แทนที่จะเอาเวลาไปแสวงหาประโยชน์สุขทางโลกเช่นไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ่นกายเราก็เอาวันนั้นมาหาความสุขทางธรรมกันหาประโยชน์ทางธรรมกันไปอยู่วัดถ้ามีวัดอยู่ ถ้าไม่มีถ้าทำบ้านให้เป็นวัดได้ก็ทำจัดห้องไว้ซักห้องหนึ่งที่ไว้ซักที่หนึ่งที่เราอยู่ได้ตามลาพังไม่มีใครมาหุ่นวายมารบกวนเราเก็บตัวสักวันหนึ่งปิดตาหูจมูกวิ้นกายขังตัวเองอยู่ในห้องรับประทานอาหารพอประมาณว่าวันละมื้อก็พอแล้วเอาเวลานี้มา ปฏิบัติทำกันมาเจริญสมาธิจเจริญสติกันทำใจให้สงบถ้าใจสงบแล้วก็จะได้พบกับความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้รับจากทางตาหูจมูกเล่นกายแล้วก็จะทำให้มีฉันทาวิริยะจิตตะวิมังสาที่จะปฏิบัติเพื่อความสงบนี้ให้มากขึ้นไป ต่อไปเราก็อาจจะเพิ่มวันหยุดเป็นสองวันสามวันก็ได้เพราะถ้าเรามีความสุขใจแล้วเราก็ไม่ต้องไปหาความสุขทางโลกเมื่อเราไม่ต้องหาความสุขทางโลกเราก็ไม่ต้องทำงานมากงานเราทำเพื่อหาอาหารหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงร่างกายก็พอไม่ต้องหาเงินมาซื้อความสุขต่างๆ พะเราได้รับความสุขที่ดีกว่าจากการปฏิบัติธรรมทำใจให้สงบต่อไปเราก็จะสามารถปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นไปเรื่อยๆจากสามวันเป็นสี่วันเป็นห้าวันเป็นหกวันเป็นเจวันต่อไปเราจะปฏิบัติได้ทุกวันเลยถ้าเราปฏิบัติได้ทุกวันผลทางธรรมมันก็จะปรากฏขึ้นมามากขึ้นไปตามลาดับ และจะปรากฏขึ้นอย่างเต็มที่ได้อย่างแน่นอนเพราะผลมันเกิดจากเหตุมันไม่ได้เกิดจากอะไรทั้งนั้นไม่ได้เกิดจากการจากเวลาถ้าถ้าเรานับเวลาจากวันแรกที่เราเริ่มปฏิบัติจนมาถึงวันนี้แล้วถ้ามันจ ะ, จะเจริญนเติบโต ต, ตามเวลาตอนนี้เราก็คงบรรลุธรรมกันไปกันหมดแล้วแต่มันไม่ได้เกิดจากเวลา เกิดจากการปฏิบัติไม่ใช่พอเรามาพบกับพระพุทธศาสนาปับ๊บมีศรัทธาปับ๊บแล้วผลต่างๆก็จะเริ่มเจริญ ง, งอกงามขึ้นมาตามลำดับมันไม่เป็นอย่างนั้นมันจะเกิดขึ้นมาก็ต่อเมื่อมีการปฏิบัติธรรมขั้นต่างๆมีการทำทานในระดับต่างๆมีการรักษาศีลในระดับต่างๆมีการเจริญสติ สมาธิปัญญาในระดับต่างๆความเข้มข้นต่างกันในระดับต่างๆถ้ามีการปฏิบัติอย่างเข้มข้นอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาผลก็จะปรากฏขึ้นมาตามลาดับนี่คือสิ่งที่ผู้ที่ได้บรรลุธรรมได้ปฏิบัติกันมาพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันตสาวกก็ดี ท่านได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกก็เพราะการปฏิบัติไม่ได้บรรลุเพราะการอยู่เฉยเฉยไม่ได้บรรลุเพราะการปฏิบัติแสวงหาประโยชน์ทางโลกท่านเต้าสลับการแสวงหาประโยชน์ทางโลกแล้วเอาเอาเวลามาแสวงหาในการปฏิบัติทางธรรม พอได้ปฏิบัติทางธรรมผลต่างๆก็จะเกิดขึ้นมาตามลำดับดังนั้นขอให้พวกเร า, เาพิจารณาอยู่เนื่องๆถ้าเราอยากจะมีเวลาได้ปฏิบัติทางธรรมกันต้องคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายถ้าคิดแล้วยังไม่รู้สึกอะไรก็ควรจะไปดูของจริงบ้าง ไปบ้านคนชราบ้างไปโรงพยาบาลบ้างไปป่าช้าบ้างไปที่เผาศพไปที่สาราสวดศพไปดูเวลาเขาลดน้ำศพกันมันจะได้มีความประทับใจถ้าเพียงแต่คิดแล้วมันยังไม่รู้สึกซาบซึ้งใจ ยังไม่สามารถกระตุ้นให้เราออกปฏิบัติได้ก็ต้องไปดูของจริงกันถ้าดูของจริงอยู่เรื่อยๆแล้วหูตามันจะสว่างมันจะต้องเห็นว่าเรานี่ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วเรามัวมาหาความสุขเล็กๆน้อยๆจากทางตาหูจมูกเลน้นกายกันทําไมเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเว ล, ลาตายนี้ ความสุขเหล่านี้ช่วยเราไม่ได้เลยอ่าถ้าเรามีธรรมนี่เราจะมีที่พึ่งมีที่ให้ความสุขกับเราในทั้งๆ ท, ที่ร่างกายของเรานี้เจ็บไข้ได้ป่วยหรือต่างกายของเราจะตายไปเราก็ยังมีความสุขได้ดังนั้นก็ขอให้ท่านจง เอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาเพื่อที่จะได้นำเอาอไปสู่การปฏิบัติเพื่อผลที่ดีที่เลิศที่ประเสริฐที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร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 อาระโสยะาสภิติโยวิวาชนตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวะตวันตระโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนญสีดิธะนิจจังวุทธาปะจายโนจัตตารุธรมมวาธานติอายุวันโอสุขังภาล ใครยังไม่ได้หนังสือ C d ดีก็ขอเชิญมาหยิบไปได้นะเอาไปอ่านเอาไปศึกษาเพื่อจะได้มีแนวทางที่ถูกต้องในการปฏิบัติถ้าไม่ศึกษาก็จะไม่รู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกก็จะผิดปฏิบัติแบบผิ ด, ผ ด, ผด ถ, ถูกได้ผลก็จะไม่เกิดเชิญหยิบได้นะตามสบาย ใครอยากจะถามอะไรก็ถามได้นะมีอะไรบ้าง ก, ก, ก็ติดต่อที่ปา่าไม้ได้ลองไปติดต่อเจ้าหน้าที่ปา่าไม้ก็ดูเขาก็มีบ้านพักให้อยู่ได้ถามถามยามที่ด่านก็ได้เวลาเข้ามาตรงป้อมยามถามเขาว่าอยากจะจองที่พักปฏิบัติธรรมให้จองได้ที่ไหน เราก็จะบอกเราบอกเบอร์ให้เราเราก็โทรไปจองได้ได้ทำตามสบายเลยได้ทุกอย่างน่ะหนังสือทุกเล่มซีดีทุกแผ่นเพียงแต่ว่าเอาไปแล้วต้องเอาไปอ่านเท่านั้นนะเอาไปฟังไม่ได้เหรอก็แล้วแต่ว่ามันว่างหรือเปล่า หมายถึงที่ไหนา ม, ามาพักหรือมาฟังธรรมก็ต้องติดต่อกับที่พักเขาเขาไมเขามีที่พักไม่ไม่มากก็คงจะมีคนจองเป็นระยะระยะก็ต้องถามเขาว่าเราต้องการมาเวลาไหนว่างพขว่างรึเปล่าถ้าว่างแล้วก็มาได้ ไม่มีอะไรนะมเป็นที่ให้เรามาปฏิบัติทําเองเอ่อเราเป็นสถานที่สงบเงียบเราต้องรู้หน้าที่ของเราคือไม่มีใครมาสอนไม่มีใครมาควบคุมบังคับเราเราต้องควบคุมบังคับตัวเราเองถ้าอยากจะมีแบบมีกรอบหน่อยก็ไปพักที่วัดวัดนี้เขาก็จะมีกรอบให้ลงโบสถ์เช้าเย็น ไหว้พระสวนมนต์นั่งสมาธิรวมกันอตอนเช้าก็ตีละฆังตอนตีสี่ตอนเย็นก็ตอนหกโมงเย็นอสองเวลาเขาก็จะเป็นที่พักแบบเป็นหอพักอยู่รวมกันแต่ถ้าต้องการปฏิบัตินี่ก็มาพักที่ป่าไม้นี่จะสงบจะเงียบ ก, กว่าจะไม่มีภารกิจที่จะต้องทำรวมกัน การไหว้พระสดมนี้ก็เป็นการฝึกทําสมาธิแบบหนึ่งแต่สู้การนั่งสมาธิตามลําพังไม่ได้การนั่งทำานั่งสมาธิตามตามลําพังนี้มันจะได้ความสงบมากกว่าเพราะเวลาไหว้พระสดมนทําอะไรร่วมกันบางทีก็มีการรบกวนกันได้เฉั้นเวลาทําใจปฏิบัติทําให้สงบนี้ ที่ว่าทำคนเดียวจะได้ประโยชน์มากกว่าแต่สำหรับคนที่ยังทำไม่ได้ยังกลัวอยู่หรือยังต้องมีเพื่อนอยู่ต้องมีคนมีเพื่อนทำกันชวนกันทำก็ต้องอยู่แบบเป็นกลุ่มไปก่อนแต่ถ้าทำคนเดียวได้แล้วอยู่คนเดียวนี้จะจะได้ประโยชน์มากกว่าได้ผลดีกว่า มีคำถามอะไรไหมใ่ทางปฏิบัติทางนี้มีแล้อเปล่าปัญ<ม>หาของพวกเราก็คืออยากปฏิบัติกันน้อยความอยากปฏิบัติยังไม่มากพอ<ม>ยังเสียดายความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายยังอยากดูละครยังอยากไปงานเลี้ยงยังอยากจะอะ สบายนอนมากมากกินมากมากถ้าจะมาปฏิบัติทางธรรมนี้ต้องต้องตัดเรื่องความสุขทางร่างกายไปความสุขสองทางนี่มันมันไปทางเดียวมันไปด้วยกันไม่ได้เหมือนเหมือนเหมือนกับร้อนกับเย็นถ้าเอาร้อนมาผสมเย็นมันก็ร้อนก็ไม่ได้ร้อนเย็นก็ไม่ได้เย็น ถ้าอยากจะกินกาแฟร้อนก็ต้องอย่าใส่น้ำแข็งถ้าอยากจะกินกาแฟเย็นก็ต้องอย่าอย่าไปเสียดายความร้อนกาแฟร้อนต้องเอาอยางได้อย่างหนึ่งความสุขทางโลกมันเป็นความสุขร้อนเพราะว่ามันมันหายมันหายเร็วมาได้ป๊อบเดี๋ยวหายแล้วพอหายใจก็ร้อนขึ้นมาพออยากจะได้อีก แต่ความสุขทางธรรมนี่มันไม่มันไม่ค่อยหายมันหายช้ามันอยู่ติดกับใจไปนานแล้วมันไม่ทำให้ใจร้อนท ำ, ทำให้ใจเย็นสบายดันัก็ต้องเลือกอแต่อย่าย่ yes, อย่าใช้เวลาเลือกนานเกินไปนะเพราะว่าเวลาเราเหลือน้อยแล้วอายุก็มากขึ้นไปเรื่อย เวลาที่จะเหลืออยู่ให้ได้ปฏิบัติมันก็จะน้อยลงไปรีบน้ำขึ้นให้รีบตักตอ น, นีนน้ำขึ้นคือมีเวลาปฏิบัติให้รีบปฏิบัติเดี๋ยวเวลาน้ำลดแล้วมันไม่มีน้ำให้ตักเวลาแก่ลงไปร่างกายเริ่มป่วยเริ่มเจ็บการปฏิบัติจะยากจะลำบากมากขึ้น ให้เราเล็งถึงความแก่ความเจ็บความตายไปเรื่อยๆไอ้ตัวนี้แหละเป็นยูปัญญาแก้ความหลงตอนนี้เรายังหลงอยู่กับหลงอยู่กับวัยคือคิดว่าเราจะไม่แก่หลงอยู่กับสุขภาพกันทุกวันนี้มีแต่อาหารเสริมมีแต่ยาเสริมมีอะไรต่างๆคอยที่จะดูแลรักษาสุขภาพกัน ก็เลยทำให้คิดว่าเราจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยกันแล้วก็มีการทำอะไรต่างๆมีชีวิตชีวากันก็เลยคิดว่าจะไม่ตายกันวันนี้ก็มีคนรู้จักการตายไปคนก็เป็นญาติโยมที่เอาลูกมาบวชคนนี้เขาเคยบวชมาเป็นพระอยู่หลายปี เป็นมหาเรียนบวชทางทางปริยัตได้ป ร, ริดินรู้สึกจะบวชสักสิปีได้แล้วก็ศึกไปแล้วก็ไปมีครอบครัวแล้วลูกชายก็โตโตเป็นหนุ่มอายุได้ยี่สิบครบบวชยี่สิบกว่าแนละ้วก็มาบวชอยู่ที่วัดได้สองสามปีลูกชายก็รู้สึกมีความขมักขมันในความสนใจในการบวชเรือน พ่อก็มาเยี่ยมบ้างแม่ามาบ่อยกว่าแต่พ่อจะมาน้อยกว่าแล้วมาเช้าลูกชายก็มาบอกว่าพ่อเสียแล้วถามว่าเป็นอะไรว่าเป็นมะเร็งในปอดคือมารู้แบบกะพันหันไหมรู้แบบพอป่วยก็เพิ่งมารู้ว่าเป็นแล้วก็เป็นแบบขั้นสุดท้ายช่วงที่มาคราวที่แล้วก็ยังดูแข็งแรงไม่มีอะไรไม่มีอาการอะไร ก็เลยแปลกใจก็รู้สึกว่าเออมันกระทันหันดีคนเราเวลามันจะไปนี่มันไม่แน่นอนมันเหมือนภูเขาไฟหรือแผ่นดินไหวไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ให้เราต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมใจไว้เรื่อยๆถ้าเราคิดอยู่เรื่อยๆว่าเราอาจจะเป็นอะไรไปในวันสองวันนี้ก็ได้ถ้าคิดอย่างนี้ได้ก็จะดี ก็จะทําให้เราไม่ประมาทนอนใจจะทําให้เราตื่นตัวต้องเตรียมตัวเตรียมใจกันแล้ว<ม>เดี๋ยวเราต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหามาแทบเป็นแทบตายกัน<ม>เอาไปไม่ได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียว<ม>แต่เราสามารถจากไปได้อย่างสงบจากไปได้อย่างมีความสุข<ม>ถ้าเรามีทำอยู่ภายในหัวใจ ถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วใจของเราจะไม่เดือดร้อนกับการสูญเสียกับการพัดภากจากกันเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะใจไม่ได้ยึดไม่ได้ติดกับสิ่งอะไรในโลกนี้ถ้ามีธรรมแล้วใจจะพอใจจะมีความพอในตัวของมันเองไม่ต้องอาศัยอะไรต่างๆในโลกนี้นี่เขาเรียกว่าธรรมังสานังกัจฉามิ ทำเป็นที่พึ่งของใจถ้ามีทำแล้วไม่ต้องพึ่งอะไรไม่ต้องพึ่งลาบยศสรรเสริญไม่ต้องพึ่งรูปเสียงกลิ่นโลดโพธิปะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่เป็นปัญหาอะไรร่างกายนี้ก็ไม่ต้องพึ่งมันมันจะอยู่ก็ได้จะไปก็ได้ไปกับจะดีกว่าเพราะร่างกายนี้มันก็เป็นภาระอันหนักอันหนึ่งที่ใจต้องแบกไว้อยู่ ใจต้องคอยดูแลร่างกายต้องหาอาหารมาให้มันกินต้องหายใจต้องดื่มน้ําต้องอาบน้ําอาบท่าซักเสื้อผ้ากวาดบ้านถูบ้านทําภารกิจอะไรต่างๆนี้ก็ทําเพื่อรักษาร่างกายนี้เท่านั้นแล้วเมื่อเราไม่ต้องใช้มันแล้วเราจะไปแบกมันไว้ทําไมถ้ามันอยากจะไปก็ปล่อยมันไป ไม่ต้องไปวุ่นกับการหาหมอหายามมาให้เหนื่อยเพราะอย่างมากก็แค่ประวิงเวลายืดมันไปอีกหน่อยนั่นเองในที่สุดมันก็ต้องไปอยู่ดีคือปล่อยให้มันไปตามเรื่องของมันดีกว่าไม่ต้องไปวุ่นกับมันเพราะว่ามีมันหรือไม่มีมันผลก็เท่ากันเพราะเราไม่ได้อาศัยมันให้ความสุขกับเราแล้วถ้าเรามีธรรมอยู่ในหัวใจ เรามีธรรมผลิตความสุขให้กับเราตลอดเวลาดังพยายามรีบหาที่ปฏิบัติธรรมพยายามปฏิบัติธรรมกันเพราการปฏิบัติเท่านั้นถึงจะทําให้เกิดผลขึ้นมาการได้ยินได้ฟังการเรียนนี้ไม่พอเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนสําคัญแต่ไม่พอเพียงเป็นส่วนที่จะนําไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องเท่านั้น ถ้าเรียนแล้วไม่ไปปฏิบัติก็ผลก็จะไม่เกิดขึ้นมาก็มาได้ที่กว้างๆมาจากแดนไกลมา บ, บันเดิดน้า จ, จรินลิอแค่มาแลา้วทั้งกรี๊ดก็เลยถามอากาศกันสักุกอย่างอ้า อเข้ามาเ่อยหน้านจมันนิ่นดีมาเอาพรเรื่อยๆนนมเคยเคยให้น้องเพลงให้ป่ะนอี่ตั้งใจเลยพาเขามากินปีชากันแล้วไงเรเสร็จมาบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปกราบอาจารย์วอดเดยก็น้องกินกันก่อนแล้วนะกินก็จะไม่เค เลี้ยงยังทั้งไม่มีที่เก็บแล้วไม่มีที่ใสแล้วเียบอกโอ้เลี้ยงทีนี้เลี้ยงเป็นคนคนกินหนีหมดอ่ะเขาอยากเห็นอยากมากับบอกเนี่ยมากาบประจังเป็นเพื่อนที่ไหนกันมาเป็นครั้งที่นี้นะคะที่สองครั้ที่สองทุพาน อันนี้กสมอันนี้ที่ไหนนะใกล้แถบใกล้เลยลงโปก็ไม่เคยก็เลยพามาตะเวนทัวร์นี่ก็ลูกพี่ลูกน้องค่ะพี่สาวรู้จักรู้จักในวาระต่างๆกันนะไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรร่วมกันนะนอกจากกิน ว่ม <1 kidnapped zu |de|>, ีปาตี้ท่นปารี้ท่านแสวงบุญกันแล้วพอดีเขาก็ชอบทําบุญด้วยก็เลยพามาแล้วก็จะมางานแต่งงานพัทยาด้วยค่ะอ่างานแต่งคนที่จะไปงานก็ตามบอกว่าอยู่สุพรรณที่อยู่อําเภออะไรอด่านช้างค่ะด่านช้างหลวงพ่อพุธอ๋ออาตมาตอนสมัยเด็กๆก็โตที่อําเภอเมืองอยู่ในตลาดเทศบาล อยู่ใกล้ๆท่าเรือใกล้ๆท่าเรือตลาดเก่าคตลาดเก่าบ้านหนูก็อยู่อําเภอเมืองสวนแดงค่ะออแต่ว่าย้ายไปอยู่ด่านช้างอม๋ออยู่ตลาดเก่าตลาดเก่าเป็นร้านร้านร้านวีนัทมั้งทเขาทําผมร้าตัดเสื้อผ้าค่ะเป็นเครื่องสำอางของคอเปอร์มาร์คด้วยเขาเป็นแม่เขาแม่เขาเป็นน้องสาวของพ่อเนาอ๋อค่ะตอนเด็กๆก็เคยกินอยู่ที่บ้านเขามาค พราะว่าบ้านเราอยู่กับบ้านของญาตที่อยู่ใกล้ๆกันอยู่ไม่กี่ห้องแถวห่างจากกันก็ไปไปมามาหาสื่อกันรู้สึกดีมีนัดใช่ไหมอยู่ในตลาดเขาเกิดที่นั่นที่นเขาว่าบ้านบ้านของคุณเขาว่าบ้านคุณบรรหารก็อยู่แถวนั้นเนี่ยใช่ค่ะสมัยนั้นมีร้านอยู่นียังในตลาดนั้นแต่เราไม่รู้จักตอะนั้นเรามันเด็กอยู่ถึงอายุประมาณสักสิบขวบก็ย้ายมา อยู่กรุงเทพมาเรียนหน<ม>ังสือที่กรุงเทพต่ออยู่ประมาณแปดปีมั้งอยู่ตั้งแต่ประมาณสองขวบ<ม>พ่อก็ไปฝากอยู่กับยา่าพ่อเขาตลอนหางานไปเรื่อยๆเลยมไม่ไม่สะดวกที่ยาวไปด้วย<ม><ม>พอพอก็มาตั้งลกรากได้ที่พัทยา<ม>เขาก็เลยเอามาเลี้ยงเอากลับมามาเรี ย, <ม>าารยนหนังสือที่กรุงเทพพ่อเราก็มาตั้งลกรากอยู่ที่พัทยา ตอนที่เราสิบขวบตอนนี้เราหกสิบกว่าก็ห้าสิบกว่าปีมาแล้วแต่นนั้นพัทยายังไม่มีถนนลาดยางเป็นถนนนูกหลังวิ่งเรียบชายหาดไฟฟ้าก็ยังไม่มีตอนนั้นต้องใช้เครื่องปั่นไฟกันเองแล้วก็เจาะบ่อน้าขุดบ่อน้ากันแต่ตอณนั้นพัทยาสงบเงียบสะอาด ไม่มีเต็กไม่มีโรงแรมไม่มีอะไรมีบ้านพักตากอากาศไม่กี่หลังเป็นสําหรับคนกรุงเทพที่เข้ามาซื้อสร้างซื้อสร้างทิ้งไว้มาพักตากอากาศช่วงเนี่ยช่วงปิดเทอมต่อมาก็เริ่มมีคนหลงฝรั่งมาขายถ้าช่วงนั้นที่ชาหาดนีม่มีราคาเลยเอช่วงนั้นก็าขายรายละแส น, <c oughs> นยังไม่มีคนซื้ อ, เ, อเลยตอนนั้น เดี๋ยวรู้สึกได้เราเป็นไม่รู้ไม่รู้เป็นร้อยล้านแล้วมั้งเนอะแถวชายันเลอย่างเงี้ยเป็นเกินแล้วค่ะแต่มันก็ที่อเดียวกันนะแต่ทำไมราคามันเปลี่ยนได้นะปัจจุบันนี้ทุาอย่างเปลี่ยนอย่าง มีอะไรอยากจะถามหรือเปล่าเมื่อกี้ได้ยินได้ฟังธรรมะหรือเปล่าฟังค่ะบโอเคเขบอกว่าท่า น, จนจเจ้าคุณดาเทพตอนใบสองถึงสี่เมงเดี๋ยวกลเอาหนังสือไปก็คันมีหนังสือวัดยานเนี่ยเป็นภาพถ่าย อ, องวันวันนี้วันจริงเวันเดย์เขาเขาอยากมาเอาพอรเพื่อที่จะขอพขอพรวันเกิดค่ ะ, ะ, <laughs> ะคนนี้ค่อยงจะโลภมากครับ <laughs> ใคร ใ, ให้พรก็กไม่ ไม่ประทับใจต้องมาคอก่อนนี้บอกว่าเออก็ทรหน้าที่แสดงนั้นเป็นพรทั้งนั้นดูปะจะให้อีกทีก็ได้ยะท้าวิวาหาปุราปุริปุเรนติสาขังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปวาเมวะสมิจจตุ สัพเพโปรเนตุสังกปายันโทปันาระโสยทามนิโชติระโสยทาสภิติโยวิวาจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขาโยโภภาวอะพิวาทานสีลิสานิจังวุฒาปะจายโน จตารโธรมวาทานติอายุวนโนสุขาังพาลัางต้องการหนังสือซีดีเอาไปได้นะ อ, อ, อ, อ, อยู่ในกล่องสีเหลืองอะ่ข้างน้ำนีข้างหลัง หนังสือสีฟ้านี่เป็นรูปวัดยานประวัติวัดยานนะ เ, เล่มสีฟ้าเนี่ยเล่มสีฟ้าพ่อๆจะเล่ น, นประวัติเพื่อนเพื่อนบ้านแล้วม่าอาอะไรเยช่วยเอาออมาเพิ่มอีกหน่อยได้ไหมห น, นังสือประวัติเอามาถ้าไม่มีก็ต้องแบบงเอาทเ อ, าอาทุกเล่มแล้วชุดชุดคนนะ อก็เป็นเป็นเทศรวมของปีที่แล้วรวมปีเนอันนี้พี่สาวไม่ได้มาคนนะขาอ่อนใช่ไหมออนปรดขามากับลูกสาวหกอเนาะแก่ป่ะ ลูกสาวก็มาด้วยป่ะมามาด้วยกันเขาเอาสารถเขาให้เขานั่งขับรถให้ค่ะคนนี้กขขี้เกียจขับรายการนี่ขาดไม่ได้นะเขาบอกว่าขับรถให้เขาแล้วก็จะพาไปเลี้ยงไงเขาเป็นคนจ่ายตังค์แต่ว่าให้ขับรถให้เขาอันนั้นซืออะไรอะอันนี้เจ้าเอออันนี้ไม่เห็นเอออันนี้ไม่เห็นค่ะ เอาเล่นไหมประคบปะแล้วก็จะมีพิมพ์หนังสือนะแต่นี่พูดตามไปพิมพ์กนังสือจำมากสามเดือนจะออกเล่มนึง ก็แยกถ้าจะกิหนังสือก็จะมีซองดีดแล้วก็จะมีมีชุดติดที่ล่าต่อสายเตอนเย็นนี้จะไปกินที่ไหนต่อครับเมื่อวันนี้เมื่อคืนก็เลี้ยงกันดึกเลเลี้ยงกัน ไม่มีวันผ้าวันโกนเลยนะไม่ผ้าเลยตื่นไม่ได้่าฮ่าเมามาโรงแรมที่งเลี้ยงค่ะอ๋อที่ไหนฮะ่ัวเก้าวอเหรอหัก้าร้นม่อคืนอ๋อเขาบอกหัวหัวเก้าร้อยแล้วก็วายแผนแล้วกันเพราะว่าปกติก็เล่นรีและวายก็ไม่คิดเขาบอกว่าวายขวดถึงสี่0นํำมาเลี้ยงผลิตหมดไปกี่ขวดเขรู้ ตอนนี้กลายเป็นเยี่ยวให้หมดแล้วที่พันก็หายไปหมดย่างนี้ถ้าจะมาปฏิบัติธรรมที่นี่ต้องพักที่ไหนคะก็ที่วัดมีที่พักอยู่แต่ที่วัดก็มีที่พักแต่ที่วัดยานเนี้ยสะดวกสบายมีห้องน้ำด้วยตัวนี่เลยนม่ ที่นี่ดีห้องดีเป็นหอพักอจะเหมือนหอพักอยากจะบาได้สามวันได้เขามีที่ที่ติดต่ออยู่หนังสืออีกเรื่องหนึ่งเทท้ายก็จะมีในนี้ไม่มีตั้งอยู่รวมหน้าก่อนคือห้องไม่ว่างเดี๋ยวหนูคงต้องขอมาฟังคํางก่อนฟังจะให้เข้าเสาอาทิตย์เสาอาทิตย์เพราะว่าลูกสาวเขาเอตอนเรียนมัธยมใช่ไหมคะเขา ไปทุกวันเขาเออฉะนั้นเขามีการสอนปฏิบัติกาอว่าอ่านหนังสือไปจะใช้วิธีอ่านนี่ไปได้อันนี้ไปอ่านหนังสือพวกนี้ไปแล้วจะเข้าใจเอาแผ่นซดีไปฟังก็ได้นะถ้าจะฟังทําจริงๆก็ต้องเสาร์อาทิตย์ว่าวันธรรมดานี่บางทีก็พูดบางทีก็ไม่พูดบางทีคนไม่กี่คนก็ไม่ได้พูด อจะพูดประจําเพราะมีคนมาฟังกันเยอะวันธรรมดานี่บางทีมาคนสองคนก็จะไม่ได้พูดแหนูอ่านหนังสือใช่ไหมคะอ่านอ่านเยอะมากอ่านจนเรามีความรู้สึกว่าใจเราสุขขึ้นนะใจเราสุขขึ้นแต่บางทีปฏิบัติของมันมันก็ยังสุขไม่มากพอถ้าปฏิบัติจะสุขมากกว่านั้นอีกหลายเท่ามันเหมือนกับว่าเรารู้เลยว่าเราเร็วขึ้นอีกตอนแบบ หายมโมโหหายใช่ช่วยตัดความโลภความโกรธได้พยายามพยายามอ่านไปเรื่อยๆก่อนแล้วต่อไปก็เอาไปปฏิบัติถ้าปฏิบัติแล้วยิ่งยิ่งจะได้มากขึ้นไปเรื่อยๆอห่าจะเก็บหนังสือนะอ่านทุกเล่มเลยจนตามหนังสือจะมีสามเดือนสุดท้ายเอที่พระพุทธเจ้าจาะปรินิพพานนั้นก็ดีใจค่ะแล้วหนูก็จะเก็บเก็บเก็บทุกเล่มเลยอพอวันไหนเรารู้ว่า มันเหมือนแบบเราโลภหรือเราอะไรเงี้ยเรารีบเลอ่านหนังสือรีบเออได้อ่านไปต่อไปมันก็ไม่ต้องอ่านต่อไปมันจะจำได้พอโลภกั้มันก็หยุดได้เลยแต่เร็วขึ้นอ่านโอ้โหเร็วขึ้นมองทุกอย่างแบบเขึ้นใช่เออมันไม่มีอะไรเราไปบ้ากับมันเองนของต่างๆมันไม่มีความหมายอะไรเราไปให้ความหมายมันเองเนมเพชรมันก็เป็นก้อนหินดีๆนี่เองนะกินก็กินไม่ได้ แต่เราไปให้ความหมายว่ามันมีคุณค่าราคาพอหายไปก็โกตรกันเป็นบ้าเป็นบอไปเลย <c oughs> หายก้อนหินไปก้อนเดียวให้เป็นบ้าได้คนเรา <c oughs> <c oughs> จริงๆอ่ะมันกินได้เปล่าถ้าไปหลงป่าไปเจอกล้วยกับเพชรในเจ้าอะไร เอนะพอพูดตรวใจนิดหน่อยเอาไปคิดดูปริศนาธรรมปล่อยวางปล่อยวางเอาของที่พูดบอกจริงแต่พอเห็นเพ็ดเพ็ดเป็ดมันเยิะมันขีนต้องขอปิดไปหาข้างหน้าเขายอมหมดแต่เอาเพ็ดไม่หรอกตอนนี้มันมีของกินเยอะมันเพ็ดมันหายากก็เลย เพ็ดมีเยอะเออเ็เ็มีเยอะเหมือนกันถ้ากล้วยหายากก็กล้วยดีกว่าอะพยายามทำบุญกันไปนะทำบุญกันไปก่อนสวัสแฮปปีเบิร์ดเดนะยดีดวพ่อาจารย์น้องเก่งเบิร์ดเมย์เป็นข่าวดังโอเคมาตั้งไว้ก่อน ไม่มีเค้กคือลองไม่ออกก่อนก่อนนะที่คุณก็มขอพรก่อนเปิดกระทึงถึงวันเกิดก็เปิดร้านอาหารค่ะขอให้ลูกค้าเยอะๆขายดิล้ายดีงานพัทยาจะได้มาพัทยาทุกเดือนสาธุนุ่มเข้าไปภูเก็ตค่ะไม่งั้นไม่งั้นก็เลี้ยงวันนี้ค่ะเอไม่งั้นเย็นเนี่ยต้องต้องงานเย็แต่พี่บอกว่าเขาไม่อยู่ ก่อนเลื่อนก่อนแล้วกันเมื่อคืนเขาก็เลยเลี้ยงตอนเช้าตีห้าเขาเหมือนกันอ่ะวันไหนก็เหมือนกันวันนี้เจเลยมาเลี้ยงเฉยๆวันจริงเขก็เลยมเลี้ีชาวันเกิดอยากจะกินกามัสกานานาคสาวเชือสาวเอ่อเชิญหยิบได้นะต้องการหนังเสือเรื่องไหน มาพักปฏิบัติที่ป่าไม้เลยหรือต่าเนี่ยเ น, มนไม่ได้มาอ่าเป็นเพื่อนนอง น, น, นงเอะเพื่อนนองอ่าเพือ่อนนองน้สบายเดินตามสบาย ได้ได้เอาเลยมาแล้วพี่สาวเขามาแล้วพ่อก็หินแต่งเปนสีแก้ก็ไม่ได้แน่สีย ก็เห็นเกินหมดแก้ก็นี่เลยบอกไม่มาเลยแล้วลูกสาราสาอถามหอกด้วยตายไปัิด่นี่ น, นมูมันจะได้เแบบแเ้เ อ, อิ่เรานั่นคุยธรรมะนานเลยเรื่องเยไปรออย่า้าอย่าท้า พี่ว่าไม่ได้มาซะแล้วมาค่ะมาก่อนเพื่อนอยากได้นังสือเลยออ่ามีนังสือไม่รู้ทางการอะไรก็เอาได้นะอ่าโภสุภันมาเขาไปมาได้พาปรมาณเพวกเขาขายข้าวเลยขายข้าวเขาเป็นเราแก่ใหญู่่สุภัน จะกลับแล้วเหรอเออได้ลองดูแล้วคุณจะกลับวันวันมีพาเขามาไหว้ไม่ได้ไม่ได้มาเ่ได้ไม่เป็นไรตาประชมวัจญาณในหนังสือประวัติวัจยาณไปได้ยังเนื้อสีเนืสีฟ้าเน้สีน้ำเงินเนี่ยเป็นไง เออนี่พออยู่ได้ไหมอย่ได้รู้สึกเครียดอึดอัดไหมนั่งมาอยู่ไม่เลยอ่าก็สลับเดินไปก่อนเดินให้มากๆถ้าเดินเมื่อยแล้วมันก็จะนั่งได้ง่ายวันนี้พ่อเลเห็นมักนร่างกายเป็นโครงกระดูกเออ พยายามดึงพยายามดูให้มันเห็นเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปเห็นใครก็ต้องเห็นโครงกระดูกเขาเลยไม่ใช่เฉพาะเห็นเฉพาะเวลาเราเดินตรงกรมอย่างเดียวเป้าหมายก็คือให้เราสามารถเห็นได้ตลอดเวลาเพราะมันเป็นความจริงที่ถูกความหลงมันปิดบังไว้มันไม่ยอมให้เราเห็นเราเลยต้องใช้ปัญญาเปิดมันขึ้นมา เพืเราจะได้ไม่หลงไหลไปกับร่างกายมันก็เป็นเพียงแต่อาการสามสิบสองไม่มีเป็นตัวใครของใครไม่สวยไม่งามอย่างที่คิดกันและใจจะได้สบายไม่มาหุ่นกับรเรื่องของร่างกายพยายามทาไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆพยายามเห็นบ่อยๆ เ, เห็นให้มันชินตาชินใจ อย่าเห็นแต่เฉพาะเวลามาปฏิบัติทำพอกลับบ้านไปก็หายไปหมดมองไม่เห็นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรต้องเห็นตลอดเวลาพอเห็นแล้วมันจะไม่หลงมันจะไม่ยึดไม่ติดมันจะไม่รักไม่ชังมีใครไปรักกระดูกชังกระดูกเห็นไหมตาเห็นเป็นโครงกระดูกก็ไม่รู้จะไปโกรธเขาทำไมไปเกลียดเขาทำไม มันไม่เห็นไปเห็นอย่างอื <the yield ing noise> uh ่นเห็นหนังที่หุ้มอยู่ก็ไปหลงกับหนังออดีแล้วล่ะเห็นอย่างนี้ก็แสดงว่าเริ่มเริ่มมีดวงตาเห็นธรรมแล้วเห็นความจริงมีแล้วตาวนองดาวไม่มีละค่ะถ้าคนเชื่อ เมื่อวานเพ่นออกมาที่ปลูกที่มาอ๋อใช่ที่คนที่เขาขายข้าวใช่ไที่บางแสนใช่ไหมเขาบอกเขาขายเขาขายข้าวที่บางแสนทุกทีพาเขามาคราวนี้บอกอยากมามาเองเออไม่ยงรูหมวนนี้ก็มาได้เออได้ก้าวคุยด้ใชมถามสารลัดสารเทออ๋อตอนแรกก็มีคำถามอยางมาอา พี่นอนไม่หลับไงก็บอกนอนไม่หลับก็บอกว่ามันนอนไม่หลับก็เพราะว่าไปหลงกับเรื่องราวต่างๆอืไม่พิจารณาว่ามันไม่มีอะไรเป็นของเราเราไม่พิจารณาว่ามันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็หมดไป <c oughs> อือ่าหลงหลงกับสิ่งนั้นสิ่งนี้อืม อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็เลยเครียดนะวันออกไปหาแม่ไปกรุงเทพเอาหนังสือตอบปอัญห า, าการจ่ายเงินเกษเล่มให้แม่คก็เ อ, อเอามาทำโดนแม่มาหาหนังสือน่ารักมากเรัอาจารย์มีโน้ตเะแล้วก็มีรูปอาจารย์เอาไปแปะไว้ในหนังสือแล้วเขียนว่าข อ, น, อาน้องกลา่าบน้อมกล่าวอาจารย์น่ารักากเอามาแล้วกเขียนนะคะ เลไว้ให้อาจารย์เแปดสิบเจ็ดแล้วแล้วมีการเขียนว่าตอนนั้นเราเสียด้วยน้าแปดสิบห้าตูบานไม่ไหแล้วมีมีเขียนว่ในหนังสือีด้วยน่าอยุธยาเหรอค่ะอยู่กับใครอยู่กับน้องชายกับหลานไม่เรมมาอยู่กับนองสี่หลังชืนแล้วก้จะชวนยังไงอ่เวลาอยู่ที่ไหนก็ได้ขอให้มีความสุขกันแล้วกันแตเขาชอบอยู่ที่นน็นอก้สบายกายแต่ไม่สบายใจใช่ คิดว sort of no, ่าแค่นี้ก่อนใช่ไหมมีอะไรเหรอไม่นีเงินเดือนไม่รู้ไม่มั้ยอ๋อแต่เขาสอบตกทำไมตะบ้าแตกอะคนไม่ไหวเกาขอออกมาบอกแล้วมาไมเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงสวดมนต์ตลอดเวลาวันนี้ก็เลยขอออกมาบอกกันด้วยกันซึ่งก็ เวลาเขานั่งสมาธิอาจารย์บ้งมักจะมีปัญหาเองนี่คือจะได้ยินเสียงสวดนีก็อย่าไปสนใจเสียงสวดมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรก็ปล่อยก็สวดไปเก็ฟังไปเนี่ยเหมือนเราเสียงได้ยินเสียงว่าตุ๊บปุ้งๆถ้าเราไม่ไปราคาญมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเราไปราคาญเองเราไปอยากให้มันหายมันก็ราคาญขึ้นมาถ้าเราไม่ไปอยากให้มันหายก็ปล่อยมันมันสวดไปเถก็ปล่อยมันดังไปพิจารณาว่าเป็นอนัตตาเราไปห้ามมันไม่ได้ เราก็พูดโทงเราไปแล้วก็สวดแข่งกับมันไปก็ได้ <c oughs> หรือสวดตามมันไปก็ได้หรือสวดภาษาที่เราไม่เข้าใจรู้แต่ว่าเป็นสิน่งสวดมนต์นะคะแล้วเราได้มีนเรยตั้งแต่เช้าะคะ่ะแล้ววันนี้พระขย่อสวดตลอดเลยเออแล้วก็ไปถามหลวงได้ยินค่ะเรื่อเราขังตัวเองในห้องมากไปหรือเปล่าไม่เป็นไรหรอกของโบนี้เป็นเรื่องธรรมดา ได้ยินก็เพลงแต่ให้สักแต่ว่ารู้แล้วก็ปล่อยวางมันไม่มาทําลายเราไม่ใช่นะมันไม่ได้มาทําร้ายเราไม่ใช่นอ <c oughs> มันก็ไม่ได้เป็นอะไรเราก็ถือว่าเป็นเราเสียงเพลงเราไม่ไม่บน <c oughs> ม่นนะก็เป็นเสียงเนี่ยตอนนี้มีเสียงอะไรเต็มไปหมดเนีรอกถ้าเราไม่ไปให้ความสําคัญกับมันมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็สักแต่ว่าไป อยากแต่ฟังสั่งแต่ว่ารู้ไปเท่านั้นเองหรือว่ามันไม่เที่ยงมันเดี๋ยวมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปหรือว่าเราห้ามมันไม่ได้มันมาเราห้ามมันไม่ให้มันมาไม่ได้สั่งให้มันหายไม่ได้ก็ปล่อยมันไปไมมาก็ปล่อยไปไม่เป็นไรไม่มีไม่มีอะไรหน้ากิเลสมันจะหาเหตุออกมากกว่ามั้งมันถูกค้งอยู่นานๆแล้วมันอึดอัด พราภาวนาไม่สงบนถ้าภาวนาสงบแล้วมันไม่อยากออกอะ <c oughs> อยู่สบายอยู่ข้างในสบายอยู่ค่ะอยู่ออกข้างข้างนอกแล้วมันร้อนอยู่ข้างในแล้วมันเย็นใจมันเย็นแต่ดายว่าสติเราเผลอบ่อยเผลอจนไม่สามารถควบคุมความอยากได้พอเอเข้ามาวันแรกแล้วก็โทรมาแจ้งมาหลังเสียก็เลยก็เลยอยู่ต้องออกไปอค่ะพอพิการ ถ้ามันออกไปด้วยเหตุไม่เป็นไรแต่อย่าให้มันออกไปเพราะความอยากของเราถ้าตัดเท้ามมันก็เลยยังมีาจะปรับตัวได้ค่ะก็เลิกทานไปอีกวัน ย, ยู่ได้กี่วันนัแหละสี่วันสี่หรืออีกสามวันแล้วอยู่กับโยกเป็นยงเป็นมีปัญหาเรื่องเสียงไหมไม่พออยู่กันด้วยกันได้นะพ ย, ยายามเปิดปิดประตูเหมือนขโมยนะเอ <c oughs> การปฏิบัติธรรมต้องระวังเรื่องเสียงมากเพราะเสียงนิดเดียวมันก็ไปไปไปกระทบกับใจได้มันจำเป็นมันไม่มีที่อยู่ก็ต้องอยู่กันแบบนี้ไปแต่มื่ก็ดีอย่างสองอยู่ด้วยกันสองคนมันปลอดภัยกว่าอยู่คนเดียวคิวหมอคิวหมอเดือนคิวหมอเดือนเดือนหน้าหรวันที่อะไรวันที่สิบอถึงสิบ 18ใหถึงส0บเนี่ย <Yeah. S 2> อืถึงเอ่อสวนมนต์ตามเมื่อวานของหนูบางครั้งมันออนมันเรียนมากเลยใช่ไเคสาโลนั่ก็แต่เจอตอนแรกๆเราก็สวดตามามก็ครบเสร็จพวงน้้ามันจะมีเหมือนกับว่าสวดเคสาโลมาตะโจเราต้องดึงสติว่าเฮ้ยมึงข้ามคันตาไปเว้ยเราต้องดึง เราดึงอย่างเงี้ยพ่ามันก็จะหลอกเราก็าเราตามก็ไม่ต้องไปดึงมันปไปมันไปดันธรรมชามันจะข้ามก็เรื่องของมันไม่เป็นไรแต่เราก็ต้องท่องของเราเท่าครบคบของเราเช่นกันอาจารยไม่จำเป็นหรอกคือที่เราให้ท่องนี้เพื่อให้เราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ทัานเองถ้ามันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันจะไม่ไม่ครบก็ได้มันจะขาดตรงนั้นขาดตรงนี้ก็ไม่เป็นไร พอเริ่มเอ๊ะปุ๊บตอนนี้เสียงเนอี่ยพอไปพอพอไปพอไปไปไปกระทําอย่างเงี้ยมันทําให้ใจเราต้องทํางานละไปบังคับมันละปล่อยมันสียป่อยมันเป็นตามธรรมชาติสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยปล่อยมันไปตามธรรมชาติอย่าไปบังคับมันบังคับมันเดี๋ยวใจเราก็เครียดขึ้นมาบังคับมันไม่ได้นะมันจะข้ามบังขาดบ้างก็เรื่องของมัน เราให้รู้ให้รู้แค่นั้นก็พอสักแต่ว่ารู้เดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเกิดอารมณ์กับมันขึ้นมามันจะแยกออกเป็นสองพันตอนแรกก็เหมือนไปคู่กันเองท่องค่าก็ท่องก็อย่าไปสนใจมันถ้ามันถ้ามันท่องไม่ถูกใจเราเราก็ท่องเราไปไม่ต้องไปบังคับให้มันท่องตามที่เราต้องการของที่มันเกิดนี่เราไปบังคับมันไม่ได้ที่มันออกมาเองแล้วนะ ทีนี้เนี่ยเมือม่อเมื่อวานที่นั่งอาจารย์ไม่รู้มดจริงหรือมดปลอมมนเดินนะมันเดิ น, น, ม, น, ดนมันเดินตอนแรกเรก็เสียก็ยท่องอยู่นะอาจารย์แต่มันก็เสียเฮก็ใช้มุกเดิมที่เล่าให้กับอาจารย์ก็คือว่ามันก็มันจะเกิดแล้วเราก็เหมือนกับเราแยกออกมะ แยกออกมาแล้วยังท่องของมาเพราะเราถือว่าถ้าเราเข้าไปอินเตอร์เวนแสดงว่าเราอยากให้มันหายอาตอนที่จะอินเตอร์เวนคือจะย ก, กมือขึ้นมาปัดให้ได้เพราะมดจริงมดปลอมก็เลยต้องแบบว่ากลับท่องต่อไปแต่พอเราจะากำลังจะอินเตอร์เวนช่นงก็ยกลับไปท่องกลับไปมันจะเหมือนแยกอว่าไอ้มดมดก็ยังเดิ น, นอยู่แล้วเราก็ยังท่องอยู่ทั้าม<อ>ท่องท่องท่องก็หลายรอบอยู่เพราะมดแกหายเพราะมดจริงหรือมดปลอมก็ไง ก็ไม่เป็นไรจริงหรือปลอก็เราไม่ไปยุง่งกับมันก็ใช่ได้แต่เราไปยุง่งกับมันเราก็ตอบตกเราต้องการจะปล่อยวางจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้คุณพูดมาแล้วนี่อ่อาแล้วนะพอดีมีธุระอย่างอืงอ่นต้องทําต่อ